ไม่ว่าเราจะทำอะไรอาจจะให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์หรือแม้แต่ช่วยให้ปลอดภัยไกลาจากอันต ร, รายสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความรู้ความรู้นี่ไม่ใช่หมายความเฉพาะสิ่งที่เรียนรู้จากตาราหรือว่าจากการสั่งสอนบอกเล่า จะยังหมายถึงความรู้จากประสบการณ์ด้วยเวลาเราพูดถึงความรู้จากตำราเนี่ดูมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนจากความรู้จากประสบการณ์เนี่ยนะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเช่นรู้ว่าไฟเนี่ยมันร้อนรู้ว่าน้ำเดือด น, นี่มันสามารถจะลวกมือได้หรือว่ารู้ว่าพึ่งเนี่ยมันมีพิษนะต่อยให้เจ็บได้ ส่วนตะปูก็สามารถทิ่มให้เจ็บหรือว่าติด บ, บาด ท, ที่ยักก็ได้ไอ้พวกนี้มันเป็นความรู้ที่ไม่ไปต้องได้จากตำรานะแต่มันได้จากประสบการณ์แต่ความรู้อย่างเดียวก็อาจจะยังไม่พอนะถึงเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ย มันต้องรู้ต้องมีรู้อีกแบบนึง น, นะคือการรู้ความรู้กับการรู้ไม่เหมือนกันนะความรู้นี่มันมันก็สิ่งที่อยู่ในหัวแต่การรู้คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ปัจจุบันเป็นประสบการณ์สดๆอเช่นเวลาเรากินอาหารเนี่ยนอกจากเราจะต้องมีความรู้ว่าอาหารใดมีคุณหรือว่า ถึงประกอบบางอย่างที่มันมีโทษแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยการรู้นนะการรู้ในที่นี้ก็รู้ทางตานะก็ทําให้เราสามารถจะหยิบอาหารใส่ปากได้ความรู้ในหัวแต่การรู้นี่มันอาศัยตาเรียกว่าเห็นตาใาสายหูก็เรียกว่าได้ยิน อาศัยรื่นก็เรียกว่ารับรสอาศัยกลิ่นอาศัยจ ม, มูกก็เรียกว่าได้กลิ่นอาศัยกายก็เรียกว่าสัมผัสพวกนี้ก็เป็นการรู้นะมันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ในการ ด, ดําเนินชีวิตมาช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะทําอะไรได้ถูกต้องปลอดภัยเช่นถ้าเรา สามารถจะรู้ทางตาก็ทำให้เราข้ามถนนได้ปลอดภัยหรือว่าไม่เดินเข้ารกเข้าพงจนอาจจะถูกงูเหยียบเขี้ยวขอกัดต้องอาศัยการรู้นะรู้ทางตาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญรู้ทางหูก็เหมือนกันมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ย ห่างไกลจากอันตรายได้หรือว่าเวลามีเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็สามารถเอามาใช้ในการแก้ทุกข์ได้แต่ว่าการรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายเดี๋ยวมันมีการรู้ทางใจซึ่งก็สำคัญเหมือนกันในการที่จะพาให้เราห่างไกลจากความทุกข์ เพราะว่าทุกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทุกที่เกิดจากสิ่งนอกตัวเราไม่ใช่เกิดจาก ง, งเหี้ยวเขี้ยวขอไม่ได้เกิดจากหน้าผาที่สูงชันหรือว่าถนนที่มีรถคับข้างหรือว่าความร้อนความหนาวความทุกข์หรือภัยเนี่ยอีกอันนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ ซึ่งเราก็เรียกรมรวมว่าทุกทุกที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยก็ต้องอาศัยการรู้นะการรู้เนี่ยเป็นพื้นฐานเลยนะในการที่ทำให้เราสามารถจะบรรเทาทุก์ที่เกิดขึ้นในใจหรือว่าเรื่องไม่ให้เกิดทุกในใจได้อริสัต4ีเนี่ยซึ่งเป็นคำสอนสำคัญของพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็รู้แล้วจะเป็นเรื่องที่พูดถึงทุกโดยตรงแล้วก็เป็นทุกที่ใจอย่างที่เราสอนเมื่อสักครู่เนี่ยนะอริยสัจสีประกอบด้วยอะไรหมายถึงอะไรได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้ก็จะว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งความรู้อย่างนี้เนี่ยมีชื่อเฉพาะเรียกนะว่าสัจจยาน คือความรู้เกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับอริยสัจส์4แต่ว่ารู้เพียงแค่ว่าอริยสัจสีประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยมันยังไม่พอนะมันต้องรู้ว่าอริยสัจแต่ละข้อเนี่ยเราควรทำอย่างไรถึงจะถูกต้องถึงจะเหมาะสมส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ รู้แต่เพียงว่าอริยสัตว์สีได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่ถามว่าเราควรทําอย่างไรกับอริยสัตว์แต่ละข้อก็ส่วนใหญ่ตอบไม่ได้ในความรู้ที่ว่านี่นะว่าหน้าที่หรือสิ่งที่ควรกระทําต่ออริยสัตว์แต่ละข้อคืออะไรเนี่ยถ้าเรียกว่ากิจจยญาณคือความรู้เกี่ยวกับหน้าที่หรือสิ่งที่ควรทํา กับอาเรสสัตว์แต่และข้อซึ่งมีประโยชน์มากนะอย่างเช่นอาสัตว์ข้อแรกเนี่ยสิ่งที่ควรทำคืออะไรก็คือรู้ท่า น, นใช้คาว่าปรินจาบางทีก็แปลว่ากำหนดรู้แต่ว่าบ่อยครั้งล้วก็เผลอหรือเข้าใจไว้ว่าทุกเนี่ยคือสิ่งที่ต้องลก ละเนี่ยเป็นเรื่องของสมุทัยนะเหตุแห่งทุกข์คือสิ่งที่ต้องละอย่างที่เราสอนมาสักครู่เนี่ยนะยแต่ว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้ถ้าช้ปริญญาสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละนิโรธเป็นสิ่งที่ทําให้แจ้งส่วนมรรคเป็นสิ่งที่ทําให้มีขึ้น คำว่าภาวนาภาวนาเนี่ยท่านใช้กับมักก็คือทำให้มีหรือทำให้เกิดขึ้นทำให้มากขึ้นเวลาพูดถึงทรทมเนี่ยก็คือทำที่ตัวมักนี่แหละแต่ถ้าทุกเนี่ยนะไม่ต้องทำอะแค่รู้รู้ทุกเนี่ย ทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือสิ่งที่ควรรู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องละแล้วทำไมการรู้ทุกจึงสําคัญเพราะถ้าเราไม่รู้ทุกเราก็เป็นทุกคแค่นั้นเองทุกเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นทุกเสมอไปนะถ้าว่าเราเห็นทุกเนะีก็ไม่เป็นทุก จะเห็นได้ก็ต้องรู้เพราะว่าเห็นกับรู้เนี่ยมันไปด้วยกันรรู้ทุกเนี่ยจึงสำคัญมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะเลี่ยงทุกเวลาพูดถึงทุกนี่ชาไม่อยากเป็นทุกก็ต้องเลี่ยงทุกต้องหนีทุกซึ่งก็ไม่ได้แก้ปัญหาเลย ส่วนใหญ่ก็เวียงไปสองยางสองทางนี่แหละถ้าไม่หนีทุกก็เป็นทุกเลยอันนี้เราสุดตรงก็ได้นะหนีทุกกลับเป็นทุกขึ่งก็รวมไปถึงจมในทุกเรื่องแต่ทางสายกลางคือรู้ทุกเนะาแล้วรู้ทุกนี่คืออะไรนะส่วนใหญ่ก็ก็จะว่ารู้ทุกคือรู้ว่าเนี่ย ทุกได้แก่อะไรอย่างที่เราเสวดเมื่อสักครู่เนี่ยความเกิดก็เป็นทุกข์นะความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคัดแค้งใจก็เป็นทุกข์มีประสบกับสิ่งไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์ ความพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์หลายคนก็ตอบได้ว่าทุกข์นี่คืออะไรอย่นี้เนี่ยมันยังไม่เรียกว่ารู้ทุกข์ที่จะช่วยแก้ทุกข์ได้นะก็ดีกว่าไม่รู้แต่มันมีรู้ทุกข์ที่ลึกไปกว่า น, นั้น ก็คือรู้ตัวเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นหรือรู้ว่ามีทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้นะโดยเพราะเวลามันมีอารมณ์อกุศลที่ทาให้เป็นทุกข์เนี่ยเช่นความโกรธความโศกความเศร้าความขับแค้นความ กลัวความเกลียดความโลภเกิดขึ้นทีไ่ไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเข้าไปเป็นซะและ้วหรือหลงคนส่วนใหญ่เวลาโกรธยังไม่รู้ตัวว่าโกรธนะคิดแต่ว่าจะหาทางตอบโต้ด้วยการด่าทอหรือการ ใช้กำลังอย่างไรหรือจะทาให้อีกฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บหรือเจ็บปวดอย่างไรโกรธกนไม่รู้ว่าโกรธบางทีทักว่าคุณทักว่าเธอโกรธนะยังไม่ยอมรับเยเครียดก็ไม่รู้ว่าเครียดกลัวก็ไม่รู้ว่ากลัวเม่มีนะคนที่กลัวแล้วไม่รู้ว่ากลัว คนที่โกรธแล้วไม่รู้ว่าโกรธคนที่เศร้าแล้วไม่รู้ว่าเศร้าหรืออาจจะรู้ก็รู้แบบผิวๆมันไม่ทันเห็นมันรู้แบบๆแล้วเข้าไปเป็นซะแล้ ว, ลวตรงนี้แหละที่ครูบาอาจารย์อย่างใช่นหลวงพ่อมังคีนท่านสอ น, นให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นนะให้เห็นเห็นความโกรธ เห็นความเครียดเห็นความโศกนะอย่าเข้าไปเป็นเห็นอย่างเนี้ยที่ทําให้รู้ว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจและเพียงแค่เห็นเท่านี้ก็ช่วยทำให้ความทุกข์มันเบาบางได้เพราะว่าพอเห็นหรือรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เข้าไปเป็นมันเกิดอาการถอยห่าง ใจเนี่ยมันถอยหรือถอนออกมาจากความทุกข์หรืออารมณ์ที่ทำให้เป็นทุกข์รวมทั้งความคิดที่ทำให้เป็นทุกข์ด้วยรู้ทุกอย่างนี่ต้องอาศัยสติและต่อไปมันก็จะรู้ชัดขึ้นนะว่าเวลามีทุกข์เกิดขึ้นมันไม่ใช่เราทุกข์แต่มันเป็นรูปทุกข์ มันเป็นนามที่ทุกข์หรือมันเป็นกายที่ทุกข์มันเป็นใจที่ทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ส่วนส่วนใหญ่เนี่ยแม้จะรู้ว่าโกรธแต่มันไม่ใช่รู้ว่าโกรธจริงๆนะมันแค่รู้สึกว่าฉันโกรธเวลาป่วยก็ฉันป่วดเวลาฉันเศร้าก็เวลาเกิดความเศร้าก็ฉันเศร้า อันนี้ก็เกว่ายัไม่รู้ทุกอย่างชัดเจนเพราะถ้ารู้ทุกอย่างชัดเจนมันจะเห็นเลยนะมันไม่ใช่เราทุกถ้าไม่ใช่รูปที่ทุกก็เป็นนามที่ทุกเวลาปวดหัวเวลาเจ็บขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าความเจ็บเป็นฉั น, นแต่มันเห็นเลยนะเออมันเป็นกายที่เจ็บ นะมันเป็นรูปที่ปวดตอ น, นอนเดียวกันนะเวลามีความโกรธความโศกความเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่ฉั้นโศกฉั้นเศร้าชั้นโกรธนตะ่มันเป็นนามที่โกรธมันเป็นใจนะที่เศร้านะตรงเนี้ที่มันเรียกว่าเริ่มที่จะถอดถอนความเป็นตัวเราหรือตัวกูออกมา ซึ่งมันช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเลยอย่าจารก์กำพลเนี่ยตอนที่ท่านยังไม่ปฏิบัติเนี่ยนะเจริญสติมีความทุกข์มากเพราะว่าพิการตั้งแต่คอลงมารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายอึดอัดขัดเคืองใจเวลาฟังธรรมก็ค่อยัช่วยหน่อย สบายใจแต่พอหยุฟังทมก็กลับมาทุกข์ใหม่เพราะรู้สึกว่าเนี่ยฉันพิการแบบนี้ฉันก็มีแต่รอวันตายแต่หลังจากที่ได้มาปฏิบัติเจริญสติจากการแนะนาของหลวงพ่อคำเขียนทางจดหมายหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยสร้างจังหวะไม่ได้ก็ให้พลิกมือเวลาพลิกเนี่ยก็ให เห็นว่าไอที่พลิกเนี่ยคือรูปหรือกายที่มันพลิกเวลามีความคิดเกิดขึ้นก็ให้รู้นะว่าหรือเห็นว่าเนี่ยไอที่คิดเนี่ยมันเป็นนามหรือใจที่คิดมันไม่ใช่เราพลิกมือมันไม่ใช่เราคิดมันเป็นรูปที่พลิกมันเป็นใจที่คิดหรือเป็นนามที่คิ ด, ดอาจารย์ผลก็ปฏิบัตินะปฏิบัติไปได้ไม่นานนี่ก็เห็นเลยนะโอ ใช่เลยนะไอ้ที่พลิกเนี่ยคือรูปไอ้ที่คิดเนี่ยคือนามแล้วก็เห็นต่อไปกระทั่งว่าไอ้ที่ พ, กกก พ, กก พ, กพิกการเนี่ยคือกา ย, ยพิกการไม่ใช่ใจพิการเห็นกระทั่งว่าเนี่ยไอ้ที่พิการเนี่ยคือกายนะพิการไม่ใช่ฉันพิกการพอเห็นตรงนี้เนี่ย เพราะว่าจิตเราเจากความทุกข์เลยเราเจากความพิการเลยพอจิตไม่พิการเนี่ยมันก็ออกจากความทุกข์ชนนั้นหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยไปคิดมั่นสำคัญหมายว่าฉันพิการฉันพิการก็เลยทุกข์มากเลยแต่พอเจริญสติก็เห็นว่าไอ้ที่พิการเนี่ยคือกายนะไม่ใช่ฉันพิการพูดง่ายคือว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ย คือกายมันทุกนะไม่ใช่ฉันทุกข์อันนี้คือการรู้ทุกข์นะที่ชัดเจนมันเป็นการรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงเพียงแค่นี้ก็ช่วยทําให้ความทุกข์ใจมันบรรเทาเบาบางไปแม้กายยังทุกข์อยู่ ั้นถ้าเราจรระสติแล้วก็รู้ทุกระดับนี้นี่โอ้มันช่วยได้เยอะเลยนะเวลาปวดก็เห็นความปวดแต่ว่ามันไม่มีผู้ปวดเพราะว่ารู้ว่าหรือเห็นว่าเนี่ยไอ้ที่ปวดเนี่ยคือกายปวดไม่ใช่ฉันปวดมีคราวนึงนะหลวงปู่บุตรดาเนี่ย ท่านไปฉันกับหมู่พระโยมก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงถวายวก็อาหารนี่มีพิษนะพระทั้งคณะเลยเนี่ยอาเจียนอาเจียนจนหมดแรงเลยนอนหมดสภาพแต่หลวงปู่เนี่ยท่านแก่มากแล้วท่านกลับสามารถที่จะนั่งสนทนากับญาติโยมต่อได้หลังจากฉันเสร็จ บางครั้งบางคราท่านก็เอากระโถนมาแล้วก็อัดเจียนไม่ใช่ว่าท่านไม่แพ้นะท่านแพ้นะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้หมดสภาพโ mm hmm. ยมก็แปลกใจว่าหลวงปู่แก่เนี่ยทำไมหลวงปู่นี่ไม่ไม่ทุกข์เหมือนกับพระลูกอื่นเลยท่นก็อธิบายว่าร่างกายของหลวงปู่ก็เหมือนของคนทั่ ว, วไปนี่แหละมันประกอบไปญญาณธาตุสเวลาดอนเวลาโดนยาเบือ่อยาเมา มันก็มีอการต่างๆนานาแต่ใจไม่ได้โดนด้วยใจไม่ได้โดนด้วยนั้นใจก็เลยไม่ได้ทุกข์ท่าบอกจะเอากายกับใจมาปนกันคือส้าหลวงปู่เนี่ยท่านเห็นเลยนะว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยนะคือกายมันทุกข์นะ แต่ว่าไม่ได้มีความสำคัญมั่นหมายว่าฉันทุกข์ไม่มีความรู้สึกว่ากูทุกข์นะเพราะว่าเห็นว่าทุกข์เนี่ยนะมันเกิดกับกายนะไม่ได้เกิดกับกูอันนี้ก็เป็นการรู้ทุกข์ที่ละเอียดขึ้นไปนะซึ่งมันช่วยทำให้ เวลามีทุกข์ที่กายเนี่ยใจไม่ได้ทุกข์ไปด้วยและต่อไปก็จะเห็นนะว่าเวลากายทุกข์เนี่ยนะหรือกายปวดเนี่ยกายกับความปวดนี่มันคนละอันกันนะหรือกายกับเวทนานที่เป็นคนละอันกันเช่นเดียวกันนะเวลาเวลานามันทุกข์ หรือใจมันทุกข์เนี่ยเพราะว่ามีความโกรธมีความโศกความเศร้าบีดคั้นเนี่ยใจหรือจิตเนี่ยกับความโกรธนี่มันคนละอันกันหรือผู้เรียนคือจิตกับความทุกข์ก็คนละอันกันมันเพียงแต่อาศัยอความทุกข์มันเพียงแต่อาศัยใจเป็นที่เกิดทุกขเวทนาก็เหมือนกันนะก็อาศัยกายเป็นที่เกิด แต่มันคนละอันกันกายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งความโศความเศร้าความลกรก็อันหนึ่งเห็นแบบนี้มันก็จะเรียกว่าเรียกว่าแยกขันแล้วนะแยกขันแล้วมันก็เหมือนกับเวลาเราเอาไม้มาขัดสีกันแล้วเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไฟมันอยู่ในเนื้อไม้นะ ไฟมันแค่อาศัยเนื้อไม้เป็นที่เกิดมีเหตุปัจจัยที่พอเหมาะไฟก็เกิดแล้วคนร้อนถ้าว่าเห็นขันมันแยกกันนะมันก็ช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะนะอย่างเคยเล่าแลวนะโยมคนหนึ่งจะเดินจงกรมตอนเช้าเนี่ยแล้วก็โดนมดเนี่ยมันตายขึ้นมาตามตัวตามร่มผ้าแล้วก็กัดมดปวดมาก ก็เรียกว่าเดินไม่เป็นสุขเลยแต่วันรุ่งขึ้นนะเดินใหม่ไม่ได้เดินคนเดียวเดินกับคนะบดมันก็ไต่ขึ้นตามตัวอีกนะเพราะว่าฝนมันตกใหม่ๆบดมันก็แตกรังตอนนี้เธอตั้งหลังนะเอาสติมาดูทีแรกเห็นความกลัวเกิดขึ้น เกิดขึ้นไหนเกิดขึ้นที่ใจก็ก็มารู้เห็นหรือเห็นมันพอเห็นมันมันก็ดับไปตอนนี้มดมันก็กัดแล้วเกิดความปวดเธอก็มาดูความปวดนะมันเหมือนทูบจุดนะความรู้สึกปวดมันก็ตื้นลึกไม่เท่ากันมีการกระจายเป็นวงแล้วก็สังเกตดูนะ แล้วก็มาสังเกตดูกายด้วยนะบางทีก็เห็นเลยนะมือเท้าเกร็งนะหัวใจเต้นเร็วนะเม้มปากกัดฟันแน่นก็ดูมันเฉยๆดูอาการของกายแล้วก็เห็นใจที่มันกระสับกระสายแต่พอเห็นใจที่กระสับกระสายเห็นความกระสับกระสายของใจมันก็สงบ บว่าเราเห็นเลยนะว่าไอ้ความปวดก็ดีลมหายใจก็ดีจิตก็ดีที่มันคนละอันนัน้นแต่ที่น่าแปลกคือว่าขณะที่มีความปวดเกิดขึ้นกับกายเนี่ยใจมันนิ่งมากเลยใจมันสงบมากเลยคือตอนนั้นเนี่ยเรียกว่ามันไม่มีตัวกูัที่เป็นผู้เจ็บเลยเพราะว่าเห็นขันนี่แยกกระจายมา กายเวทนาจิตแคเห็นเท่านี้เนี่ยมันก็ไม่มีผู้ทุกข์ละไอ้ทุกข์มีแต่ไอ้ที่ทุกข์ก็คือกายที่ทุกข์พรโดนงูเพรโดนมดกัดแต่ใจนี่สงบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการรู้ทุกข์นะที่เห็นชัดนะละเอียดละอ้อไปเรื่อยๆนะว่าทุกข์ก็อันนึ่งกายก็อันนึง ใจขัน้นแล้วต่อไปเนี่ยนะมันก็จะเห็นทุกข์ถึงขั้นว่าเนี่ยโอ้อะไรแล้วก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ทุกข์ตรงนี้มันไม่ใช่ทุกข์กับเวทนาแล้วมันเป็นทุกข์สภาวะคือสภาวะที่ถูกบีกคั้นที่ทําให้ต้องทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกอย่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นแม้กระทั่งสุขนะไม่ว่าจะ เช่นไม่ว่าจะกินอะไรที่อร่อยอาหารอะไรที่อร่อยถ้ากินทุกวันทุกวันกินทุกมือ้อทุกมือ้อแม้รสชาติจะเหมือนเดิมยังแต่ไม่รู้สึกอร่อยเหมือนเดิมแล้วจากอร่อยก็กลายเป็นเฉยๆถ้ากินต่อไปมันก็เริ่มเบื่อถ้ากินต่อไปมันก็เริ่มเอียน ถ้ากินอีกนะมันจะอาจเจียนแล้วจากอร่อยกลายเป็นความแม่อร่อยผู้อยานนี้คือความแม่อร่อยมันก็อยู่ในความอร่อยนั่นแหละเช่นเดียวกันในะเวลาเราเมือเม่อยเมือเม่อยเหนื่อยเรายืนเมื่อยเราก็นั่งแต่พอนั่งไปทีแล้วก็สบายนั่งไปนานๆมันก็เมือ่อยพิงหลังดีกว่า เอ็หลังพิงเสาสบายแต่นั่งไปสักชั่วโมงหนึ่งมันก็เริ่มเมือ่อยนอนดีกว่านอนที่แรกก็สบายแต่นอนไปนานๆก็ต้องพลิกตัวละเพราะถ้านอนในท่าเดิมนี่มันเมือ่อยอันนี้ก็เห็นเลยนะว่าในทุกเนี่ยมันในสุขเนี่ยมันมีทุกอยู่เพียงต่ว่ามันรอเวลาแสดงตัว แล้วซึ่งที่จริงมันก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกทุกอย่างเลยนะมันก็เจอไปได้วยทุกเหลือเป็นตัวทุกข์เนี่ยอย่างที่ท่านว่าเนี่ยว่าเดียวยอขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปท า, านขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์และมันก็ไม่ใช่แค่อุปท า, านขันเท่านั้นนะขันเฉยๆก็เป็นทุกข์แล้วนั้นพอเห็นตรงนี้เนี่ยนะมันก็พอเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เนี่ยมใจเนี่ยมันก็จะเหนื่อยใจยมันก็จะหน่าย ไม่อยากจะยึดแล้วแต่ก่อนเนี่ยเห็นว่า อ, ะ, อะไรแล้วก็เป็นสุขมันก็เลยยึดรวมทั้งร่างกายนี้เพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแต่พอเห็นว่าเป็นตัวทุกข์มันก็วางอันนี้เรียกว่าเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงพอรู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เนี่ยมันก็จิตมันก็คลายไม่ยึดมันถือมัน พอจิตไม่ยึดมั่นถือมัน่นมันก็ก็พ้นทุกขนะ์นั่นแหละอย่างที่หลวงพ่อคำเคยว่าเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์เนี่ยสำคัญนะเราไม่ได้รู้ด้วยการท่องจำเอาแต่รู้ทีแรกรู้ด้วยสติต่อไปก็รู้ด้วยปัญญาแม้จะยังไม่ถึงขัน้นเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยเวลามันเกิดทุกข์ที่กาย ก็ไม่ไปยึดว่าฉันทุกข์เวลามันมีความปวดที่กายก็ไม่ยึดมันสำคัญว่าฉันปวดก็ดเห็นความปวดแต่ไม่มีผู้ปวดเวลามีความโศกความเศร้าเกิดขึ้นหรือความโกรธก็เห็นมันนะเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วรนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามัน ฝึกรู้ทุกข์บ่อยๆนด้วยการเอาสติมาดูกายดูใจอยู่เรื่อยๆมันก็จะเห็นทุกข์ได้ไวขึ้นและเห็นทุกข์เมื่อไหร่มันก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อนั้น